พระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับในบ่ายวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับผมก็นำพระธรรมโยนานะครับมาแบ่งปันกับพี่น้องจริงแล้วเรื่องของความรักนี้เราพูดได้มากมายนะครับในชีวิตของเรานี้นะฮะมีพระธรรมสองเล่ม ที่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับสองเล่มที่พูดถึงความรักของพระเจ้าพระธรรมโฮเชยาพูดถึงเรื่องของความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลที่เป็นคนไม่น่ารักและเป็นคนที่ขอโทษครับที่ปัจพที่สุดนะครับแต่พระเจ้าก็รักเขาแล้วก็อีกเล่มหนึ่งพระธรรมโยนาเป็นพระธรรมที่พูดถึง ความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนต่างชาติคนที่เป็นศัตรูเราอาจจะชอบถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ชอบเด็กๆที่น่ารักนะครับเด็กที่อายุสักขวบสองขวบก็กำลังหัดเดินกำลังพูดเงี้ยฮะสองสามขวบอะไรพวกนี้นะครับมันเรียกว่า เขาน่ารักเกือบบอกว่ามันน่ารักนะครับเขาน่ารักนะครับเวลาแลวมันก็น่ารักนะครับผู้ใหญ่เห็นใครๆก็อยากจะอุ้มใครใครก็อยากจะหอมอยากจะฟัดนะครับแต่บางทีเราเจอคนที่ไม่น่ารักจมูกโบ๋แต่งตัวมอมแมมเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปหอมแก้มไม่อยากเข้าจะไปกอด น, นะครับเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีโอกาสไปประชุมที่เชียงใหม่นะครับก็มีเวลาที่ได้ไปกลับไปบ้านจริงๆแล้วได้กลับไปเมื่อสอสัปดาห์ก่อนนั้นนะฮะก็ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของผมที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่ถูกจับแล้วก็อยู่ในเรือนจำในถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับแล้วแล้วเขาก็ได้รับ การลดโทษอะไรอะไรจนจําคุกตลอดชีวิตแล้วก็ทราบว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการอภัยโทษกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ช่วงสองอาทิตย์ก่อนนั้นยังไม่มีโอกาสไปไปแวะเยี่ยมนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแวะเยี่ยมไปนั่งคุยกับเขาประมาณชั่วโมงหนึ่ง เ, เราเป็นเด็กด้วยกันครับตกเบ็ดยิงนกตกปลา กลางคืนก็ส่งกบส่งเขียดไปด้วยกันนะครับสองคนรักกันมากแต่พอเราไปเรียนหนังสือเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็ต่างคนก็ต่างไปประกอบอาชี พ, พเผอิญเขาไปไปอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เลยเไปถูกจับแต่ว่ารวมเวลาแล้วที่เขาถูกจับนั้น16ปีนะครับเมื่อคุยกับเขาให้ฟังเขาบอกว่าท่านชะลอนะครับ ภู พ, พันตึงอะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันหมดเลยครับแต่ที่ดีใจที่สุดคือว่าเขาได้กลับบ้านแล้วเขาเป็นไทยนะครับยายของเขาซึ่งรักเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กเหมือนแม่เนะี่ยก็ดีใจมากๆากซพวกเราก็อธิฐานเพื่อเขาอยู่ตลอดและก่อนจากกันเราก็ขอเวลาอธิฐานกับเขานะครับหวังว่าเขาจะมีโอกาสได้ไปคิจัดไปร่วมาสามัคคีธรรม มีโอกาสได้รับการเยี่ยมเยียนดูแลจากที่จักอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักครับหลายๆครั้งคนที่ไม่น่ารักมีคุณสมบัติที่ไม่ถูกใจเรานะครับเราก็ไม่อยากรักนะครับเราก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขาครับเหมือนกับคำอุปมาของพระเยซูที่พูดถึงบุตรชายสองคน บุตรน้อยที่ขอมรดกของพ่อแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตส ม, มเลเทเมาเลเทซสิ้นเนื้อปดาตัวและกลับมาพี่ชายก็บอกว่าไม่ควรที่ควรที่เขาที่ดูแลบ้านการงานบ้านเรือนเนี่ยจะได้รับการเลี้ยงดูจากปูเสือจากพ่อแต่ดูสิพ่อไปเลี้ยงดูปูเสือลูกที่ใช้ชีวิตเลเทแต่ความรักของพระเจ้า พ่อได้ดูแลลูกเลี้ยงดูลูกคนที่กลับมากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งโยนาครับเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนต่างชาติต่อศัตรูแต่การที่พระเจ้าทรงเรียกโยนานั้นในโยนาบทที่หนึ่งพระเจ้าบอกให้โยนาไปนีนาเวครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอิสราเอล โยนากลับไปเมืองทาราชิตซึ่งอยู่ทิศตะวันตกเราเรียกว่าโยนาจอมดื้อนะบอกซ้ายผมไปขวานะครับบอกขวาผมไปซ้ายแล้วพระเจ้าก็จัดการตักเตือนสั่งสอนเขาโดยให้พายุใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็จับฉลากว่าคนที่เป็นเหตุทำให้เกิดภัยพิบัติก็คือโยนาเขาก็จับโยนาโยนลงทะเลโยนาถูกปลาใหญ่กลืนไปสามวัน แล้วโลฮาก็ร้องหาพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ปลาคายโยนาที่ฝั่งแล้วก็โยนาก็ขึ้นไปทําการนะครับไปอย่างนีนาเวสตามบทที่สามที่เราอ่านนี้นะครับในบทที่3นั้นเราก็พบว่าโยนาไปประกาศครับแต่ประกาศเหมือนกับแช่งเนาะ <c oughs> นะครับเดินระยะทางผ่านเมืองนี่ 3วันโยนาผ่านไปแค่เดินไปวันเดียวก็พอลอะประกาศเลยครับอีกสี่สวันนีนาเวพินาตนี่คือความรักของโยนาเป็นความรักที่มีต่อศัตรูแบบโยนานะครับชื่อของโยนานี่น่าสนใจนะจริงจริงแล้วเขามีชื่อว่านกพิราบความหมายของเขาคือนกพิราบนกพิราบไม่ต้องเป็นนกพิราบที่สื่อสารนะครับนําสิ่งดีไปไม่ใช่สิ่งร้ายแต่โยนาไปครับสี่สิวันพินาตแล้วก็นั่ง ออกมานั่งชาญเมืองนั่งรอแต่ปรากฏว่ากษัตริย์นีราเวนั้นบอกชาวบ้านชาวเมืองว่าเรากลับใจเถอะนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะลดจะงดโทษนะรับเพราะเขาก็มีความเชื่อในพระเจ้านะครับอาจจะเพราะเกรงกลัวเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็ ไม่ได้รับการความพินาศจากการลงโทษโอ้โหพี่น้องครับโย น, นั้นทุกอกอกหัวอกอีกแป้นจะแตกตายศัตรู ก, กับใจมันไม่น่าจะรอดมันน่าจะถูกทำลายมันน่าจะถูกพินาศแต่นีนาเว ร, รอดครับเขาอธิษฐานนะครับหลายๆครั้ง เราก็เหมือนโยนาเหมือนกันเนาะถ้าศัตรูหรือว่าคนที่เราไม่ชอบได้รับภัยพิบัติได้รั บ, บ, รรบความเดือดล้นนี่เราก็เห็นไหมเห็นไหมหนะครับถ้าคนเชียร์บอลนี่ถ้าถ้าคีมอลิแพ้นี่โอ้โหสะใจมากแฟนแมนยูก็บอกเป็นไงละ่ะรีวิคุณ แพ้คาบ้านสามนัดซ้อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนเราเป็นพี่น้องที่รักครับแต่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไร้พรมแดนแม้ว่านีนาเวจะเป็นศัตรูของอิสราเอลเป็นศัตรูที่โหดเหี้ยมโหดร้ายนะครับเดี๋ยวผมจะ ค่อยอธิบายไปทีละหน่อยที่หน่วยสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องในสามสิ่งบายวันนี้นะครับคือว่าความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกนั้นเป็นความรักที่ไร้พรมแดนนะครับพระเจ้าบอกโยนานะครับให้ไปนีนาเวแล้วก็โยนาก็ไปอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับว่าจงลุกขึ้นไปนีนาเวนครใหญ่ประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่พระองค์จะบอกเขา โยนาเข้าใจครับเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ด้วยความโกรธแค้นด้วยความที่อยากจะเห็นศัตรูถูกทำลายนะครับเขาก็ประกาศไปอย่างนั้นแต่พระเจ้าบอกกับเขาว่าคนนีนาเวไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวานะครับไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วไม่รู้พระบัญญัติของพระเจ้าไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับ พระเจ้าต้องใช้โยนาเนี่ยไปบอกเขาพระเจ้าให้จริงความรักของพระเจ้านั้นพระองค์ให้ประทานสิ่งดีกับทุกคนนั้นเสมอภาคกันฝนตกก็โดนเหมือนกันแดดออกก็โดนเหมือนกันน้ําท่วมก็โดนเหมือนกันนะครับปลายปีกับต้นปีที่ผ่านมานี่ภาคใต้ทั้งวัดมัสยิดโบสถ์คริสโดนเหมือนกัน เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีคนอธิบายว่าท้าได้จริงแล้วมีพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในโยนานี่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่คัดค้านการฟื้นฟูของในยุคของ อสราเนห์มีที่บังคับให้คนยิวนั้นละทิ้งคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติใครที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินั้นเขาก็ให้เลิกให้เลิกซึ่งพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าเกลียดชังกันหย่าร้างแต่การฟื้นฟูณเวลานั้นก็มีการทาให้เกิดการหย่าร้างแล้ว <c oughs> โยนา ผู้บันทึกโยนาก็ได้บันทึกเหตุการณ์นี้ขึ้นว่าพระเจ้าให้เราให้ผู้ฟังผู้อ่านนั้นรักให้อิสโอลิเอวนั้นรักศัตรูของเขาด้วยไม่ใช่รักแก่เฉพาะคนพวกเดียวกันถูกต้องครับว่าคนที่ทำเวลาที่เราจะทำความดีเนะี่ยพระเจพระคัมภีร์ก็บอกว่าให้เราเริ่มต้นจากคนที่อยู่ในครัวเรือนของเราก่อนนะครับในกาลเทียบที่ข้อ9้าข้อ อย่าให้เราเมื่อร้ายในการทำดีเมื่อเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเมื่อเรามีโอกาสและให้เราทำดีต่อคนทองปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวที่มีความเชื่อนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นทำความดีจากคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับไม่ใช่คนไกลแต่คนใกล้เราไม่สนใจนะครับหน้าหนาวมาไปแจกข้าห่มที่ปายแต่คนที่อยู่ที่โบดนี่ไม่มีใครสนใจอันนั้นก็ไม่ถูก แต่ว่าเราก็เริ่มต้นจากคนที่อยู่ที่ในใกล้เคียงเราแล้วก็เริ่มออกไกลไกลๆออกไปซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าถึงพระเยซูคริสต์เจ้าถึงตัดสั่งให้สาวกออกไปประกาศกับคนเป็นพยานกับคนที่ไหนครับเริ่มต้นที่เยรูซาเลม็มยูเดียสมาเลียสุดปลายแผ่นดินโลก เยรูซาเล็มก็เป็นเหมือนบ้านของผู้เชื่อนะครับยูเดียก็เป็นบริเวณบ้านเมืองของเขาแล้วก็สมารีาคือศัตรูแล้วก็ค่อยไปปลายสุดเป็นโลกนั่นก็เริ่มต้นจากสิ่งที่คนที่อยู่รอบข้างเราความรักของพระเจ้ารักทุกคนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เวลานี้ คนไทยมีประชากรประมาณประเทศไทยมีประมาณเกือบเจ็ดสิประมาณเจ็ดสิบล้านคนนะครับแต่ว่าสถิติของคริสเตียนยังมีเท่าเดิมครับประมาณเจ็ดแปดแสนเนี่ยนะฮะ ร, รวมๆกับทั้งคาทอลิกทั้งคริสเตียนก็ล้านนิดๆ น, น, นะครับก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าอัตราขยายประชากรนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ความรักของพระเจ้าไม่ว่าเราจะมี สื่อมากมายมีช่องทางมากมายแต่คนอีกมากมายนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นพินาษเลยแต่พระองค์ปรารถนาที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีชีวิตที่อยูอ่ได้พบกับสันติสุขได้คืนดีกับพระเจ้ากลับมาเป็นบุตรของพระเจ้ากลับมาเป็นลูกของพระเจ้า นั่นเองทุกคนที่พระวจนะของพระเจ้ายังบอกว่ผู้คนที่ร้องออกพำแนามของพระเจ้านั้นคนนั้นจะรอดนั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับภัยกิจอีคุณของพระองค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วคิดถึงปลากระป๋องพี่น้องคิดถึงปลากระป๋องยี่ห้ออะไรครับ อะไรนะครับโลซ่าเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใครยุครุ่นปีปีเกิด 2-4 งสี่มครับมีไหมครับรุ่นนี้ไม่มีใครอยู่ยุคปี 2-4 นะี่นะยุค 2-5 งห้ายุค 1-9-6-0 งเาปากกระป๋องก็ต้องปุ้มปุ้ยแสดงว่าเราอายุเยอะใช่ไหมครับปากกระป๋องปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ย ไม่เปลี่ยนรสชาติครับกระป๋องสีชมพูสลากสีชมพูแต่ว่ากระป๋องกระป๋องเปลี่ยนนะครับในอดีตนั่นเป็นกระป๋องแบนแบนนะครับบอลแบนรีนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะกินได้นี่ก็ต้องนะครับใช้มีดใช้อะไรแงะเข้าไปนะครับบางทีไม่ไม่ได้กินปลากระป๋องก็เลยกินเลือดตัวเองเพราะว่าอโดนฝาปลากระป๋องนั้นบาดมือ เดี๋ยนี้ครับง่ายครับมาถึงปุ๊บเจอฝาเปิดกระชากฟึกไม่ต้องเทสใส่ถ้วยก็ได้ครับทานได้เลยนะฮะแต่ว่าปุ้มปุ้ยคือปุ้มปุ้ยเมื่อปีโน้นนะฮะเช่นเดียวกันครับพระกิติคุณของพระเรยคร์เจ้าคือความรอดในพระองค์ผู้ที่เชื่อด้วยใจรับพระองค์ด้วยปวากเพราะนั้นก็จะรอด นะนั่นคือความรักของพระเจ้าพระองค์จึงมอบพระบัญชานั้นให้กับเราทั้งหลายผู้เชื่อทั้งหลายเหมือนกับโยนาที่ได้รับพระมหาบัญชาพระบัญชาให้ไปบอกข่าวดีให้กับคนนีนาเวประการที่สองครับความรักของผู้เชื่อหรือว่าของคริสเตียนของยนของอิสราเอลที่มีต่อโลกครับ โยนาได้กลับใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขากลับมาไม่ถึงกลับใจจนถึงร้อยเเซนตะครับเขายอมจำน้นเพราะว่าถูกภัยพิบัตินะครับแล้วกลับมาประกาศสิ่งที่ประกาศอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอยากประกาศการทําลายนะครับไม่ใช่ประกาศพอพรนะประกาศพระเพลิงนะฮะ แต่ขอบคุณพระเจ้าคนที่นีนาเวนั้นกลับใจเลิกกระทำความชั่วความรักของโยนานน้นตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะ ช, ชีวิตต่อชีวิตเพราะว่าอะไรครับในการแย่งชิงแผ่นดินของเมืองต่อเมืองประเทศต่อประเทศณเวลานั้น แอสซอเียที่มีเมืองหลวงคือเนเธอร์เวนั้นเป็นอาณาจักรที่โหดร้ายที่สุดนะครับเวลาไปรบชนะนะครับ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนสายเลือดเปลี่ยนพงพันนะครับ mm hmm. เขาจะฆ่าผู้ชายแล้วก็เอาผู้ชายของประเทศตัวเองเนียมาอยู่ในเมืองที่เคารบชนะลูกเล็กเด็กแดงนะครับวิธีประหารก็คือว่า ลุ้นนะครับลุนนะครับโยนเด็กทารกเหล่านี้ขึ้นฟ้าและเอาหอกหรือเหลารอรับแทงทะลุตั้งแต่ปลายหอกจนถึงมือจับตายครับตายอย่างโหดเทียมเนี่ยทำให้โยนานั้นเกลียดมาก แล้วถึงประกาศพระเพลิงของพระเจ้าลงมาเนี่ยแต่พระเจ้าต้องการให้โยนาเป็นพระพรเหมือนกับพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมว่าชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของอับราฮัมแล้วอะไรเกิดขึ้นครับปรากฏว่าคนนีนาเวกับใจนะครับกษัตริย์นีนเววาเวบอกเกลือว่าพระเจ้า จะเลิกนะครับจะลดพระพิโรธเปลี่ยนพระพิโรธเพื่อเขาจะได้ผ่านเขาจะได้ไม่ต้องถูกาการลงโทษจากพระเจ้าถูกพระพิโรธของพระเจ้าและเขาจะได้ไม่ต้องพินาศเขาประกาศอดอาหารนะครับอดแม้กระทั่งน้ำนะครับก็นุ่ ง, งผ้าหุ้มกระสอบ ก็เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าถึงข้อนี้ครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องในวันพูดที่จะถึงนี้นะครับเราจะเริ่มเทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะใกล้กรวนพระวจนะของพระเจ้าทบทวนชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่ง40วันก่อนจะถึงวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงและสิ้นพระชนและก็เป็นขึ้นมาจากความตาย นั่นเราใช้เวลานี้สี่สิบวันนี้นะครับในการไข่คลวนพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานอดอาหารแล้วก็คิดถึงคนที่เขายากไร้คิดถึงคนที่เขาขาดโอกาสขาดคิดถึงคนที่เขายังขัดสนอยู่คิดถึงคนที่เขายังไม่กลับใจ เพื่อเขาจะได้รับพระพรของพระเจ้าแล้วการอดอาหารของเรานี้เราก็เอาเงินที่เป็นค่าอาหารนี้ก็เอามารวมกันแล้วให้เป็นทุนการศึกษาของเด็กที่ได้อโอกาสนะครับก็เชิญชวนนะครับที่เราจะพี่น้องอนักบวชการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็จะมีคู่มือภาวนา40วันนะครับแล้วก็ มีถุงอดออมรวมทั้งเท่านะครับเท่านี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์เฉยๆนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับเวลาเขาอธิษฐานอดอาหารเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใช้ประจำนะครับออกแล้วห่มนุ่งห่มผ้ากระสอบแทนแล้วก็ใช้ขี้เท่าซัดขึ้นไปบนข้างบนนะครับแล้วก็เนื้อตัวของเขาก็จะมอแมแอมไปด้วยขี้เท่าสงบจิตสงบใจนท่องพระวจนะหรือว่า ทองพระบัญญัติของพระเจ้าเราก็ใช้เวลาใช้เวลานี้ก็เหมือนกันนะครับ40วันนั้นมาจากไหนมีสององกรณีที่ในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างของการอธิษฐาน40วันนั่นก็คือว่าการที่โมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้า40วันบนภูเขาซีนายเพื่อจะรับพระบัญญัติของพระเจ้านะครับโมเสสก็อดอาหารไม่รับประทานอะไรเลยเข้าเฝ้าพระเจ้า40วันแล้วก็ลงมา และการที่พรีสคริตอธิษฐานหลังจากที่พระองค์ได้รับบัติสมาแล้วพระองค์ไปอธิษฐานอดอาหาร40วันที่ถิ่นธุรกันดารที่เราจะพบว่าพระองค์ถูกการทดลองสามสิ่งนะครับแต่พระองค์ก็ชนะการทดลองนั้นนั้นเราใช้เราก็ใช้คริ จ, จักใช้ช่วงเวลา40วันนี้นะครับเป็นการกําหนดของการที่จะใช้เวลาในการอธิษฐานนะฮะ แล้วก็เราก็จะไปจนถึงช่วงของสัปดาศักสิทธ์ปีนี้สัปดาศักสิทธ์และอีสเตอร์นะครับพี่น้องพี่น้องต้องมีใจที่เข้มแข็งมากๆเพราะว่าตรงอีสเตอร์เอตรงอีสเตอร์ตรงสงการพอดีครับวันสงกรานวันที่13วันพฤหัสวันศุกร์ 14วันเสาร์วันะนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์พอดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงวันศัพท์ิษย์ที่เราปกติคือจากเราก็จะมีการศึกษาพระโอษะของพระเจ้านะครับในวันอาทิตย์แรกของอเดือนเมษายนนะครับก็แล้ววันจันทร์นะครับจันทร์ที่จะหยุดยาวสงกรานนะครับเราก็มีเรียนพระครรมพีนะครับวันพฤหัสเรามีการนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ นะครับเป็นเลื่อนถึงการตั้งพิธีมหาสนิทของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับวันศุกร์วันศุกร์กระเริดนะครับวันเสาร์ก็มีการมารดกเลื่อนเลถึงบรรพชนนะครับพี่น้องที่มีบรรพบุพรุษหรือว่าญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่มีโอกาสไปเยี่ยมก็สามารถที่จะลงชื่อและเราจะเลื่อนเลื่อนถึงท่านเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วนะครับในช่วงของวัน เ, เสาร์ก่อนวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์แล้วเราก็มานามัสการพระเจ้าร่วมกัน นะครับนั้นบางท่านที่ก็ต้องตัดสินใจนะครับบางทีเราอยากจะไปพักผ่อนนะครับในช่วงสงกรานต์แต่ขณะเดียวกันก็มีงานช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วันอีสเตอร์นะครับก็ถ้าเราเดินทางก็มีโอกาสก็น้ำมการพระเจ้ากับโบสถ์ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆ ก, กับที่เราไปนั้นนะครับก็เป็นช่วงสงกรานต์พอดี นะครับนานๆก็จะเจอครั้งหนึ่งนะครับในวันอีสเตอร์ที่เจ อ, อตรงกันกับเทศกาลสงกรานต์นะฮะ mm hmm. เราความรักของเราที่มีต่อโลกที่มีต่อคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเราใช้ชีวิตทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าหรือว่าเขาเห็น ตัวเราแท้ที่จริงแล้วมีคนหนึ่งมีคนบอกว่าผู้คนไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะมีความรู้มากเท่าไรมีความรู้เรื่องพระเจ้ามากเท่าไหร่แต่จนกว่าเขาจะเห็นว่าเราสนใจเขาเพียงใดไม่ว่าเราจะ มีความรู้เรื่องพระเจ้ามากมายแต่ว่าเราไม่ได้สนใจในคนอื่นนะครับเขาก็ไม่ได้เห็นความรักของพระเจ้าเขาก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นเราต้องรู้จักพระเจ้าขณะเดียวกันเราก็สัมดงชีวิตของเราที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้านั้นให้กับคนอื่นได้เห็นว่าพระเจ้าที่เรา รักที่เรานามัสการที่เรานับถือนะครับพระองค์มีชีวิตอย่างไรเราได้ดำเนินชีวิต ต, ตามพระองค์อย่างไรบ้างมีคนบอกว่าความรักนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนตะบองให้เป็นผ้าเช็ดตัว หรือว่าผ้าเช็ดเท้าอะไรที่เป็นของฉันมันเป็นของคุณด้วยฉันแบ่งให้คุณแต่มนุษย์เป็นไงครับอะไรที่เป็นของคุณมันเป็นของฉันแต่ความรักของพระเจ้านั้นอะไรที่เป็นของฉันมันเป็นของคุณด้วยเราใช้ร่วมกันเราใช้ร่วมกันได้ครับนั่นคือความรักของพระเจ้า ประการสุดท้ายครับการกลับใจของโลกขอบคุณพระเจ้าที่นีนเวนั้นกลับใจนะครับกลับใจเพราะความกลัวความาหวาดระแวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเห็นว่าในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่าพระเยซูคริสต์เองยกตัวอย่างเรื่องของแกะหนึ่งร้อยตัว 1ตัวที่หายไปนั้นผู้เลี้ยงได้นำา99ตัวละไว้ในขอกแล้วผู้เลี้ยงตามหาหนึ่งตัวที่หายไปนั้นใครคือแกะหนึ่งตัวที่เราได้รู้จักที่เขาหายไป คนที่อาจจะเคยนั่งนมัสการพระเจ้ากับเราข้างๆคนที่เคยเราเคยพูดคุยด้วยวันนี้เขาไปไหนวันนี้เราติดต่อกันอย่างไรผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบพี่น้องติดต่อกับคนเพื่อนเก่าๆในสมัยเด็กๆไหมครับ โลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เราสามารถหากันได้ง่ายมากนะครับอยากเจอใครครับคีชื่อเข้าไปใน Google นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์กูก็บอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราคอนแทคใน Facebook เดี๋ยวเราก็ได้ Instagram เข้ามาเดี๋ยวเราก็ได้ไลน์เข้ามาคุยได้แต่ก็อย่างว่านะครับ ผมตั้งกลุ่มไลฟ์เพื่อนปถมชุห้องหนึ่งห้องมัธยมห้องหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ทุกๆเช้าเพื่อนๆก็ส่งธรรมะมา ท, ทุกเช้าทุกเช้าสงสัยเริ่มอายุเยอะนะครับส่งรูปพระส่งรูปธรรมะนี้เดี๋ยวเราส่งข้อความพีไม่ทันนะครับเรามีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่จะสามารถสื่อสารความรักสื่อสารชีวิตของ ที่เป็นความรักให้กับคนอื่นได้นะครับสตานมักจะบอกว่าถ้าพระเจ้าของคุณดีจริงอะ่ะคุณไม่ต้องประกาศก็ได้เดี๋ยวเขาก็เห็นเขาก็เชื่อเองจริงๆไม่ครับถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับมหาตมรคันธีบอกว่าถ้า ชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนพระเยสูโลกนี้จะไม่มีศาสนาอื่นเลยนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้รักอย่างที่พระองค์รักไม่ได้พูดอย่างที่พระองค์พูดไม่ได้ทําอย่างที่พระองค์ทํานั้นคนก็ไม่เห็นพระเจ้าคนก็ไม่เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา เราก็ต้องเริ่มต้นนะครับเรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์รักอย่างไรพระองค์รักคนที่สังคมรังเกียจรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่เจ็บป่วยรักคนที่เป็นมลทินให้โอกาสคนทีเ่เกือบจะถูกประหารชีวิต มากมายพระองค์สละเวลาที่เหน็ดเหนื่อยกำลังจะพักคอนเพื่อจะช่วยสาวกและแม้กระทั่งที่พักองก็ไ ม, ม่มีที่จะพักมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็คงอาจจะเคยได้ยินและอาจจะเคยได้เห็นในยูท b e รเรื่องของเทดดี้สิ่งที่บันทึกไว้ก็คือว่ามิสทอมสันเนี่ยเป็นครูที่เชื่อในพระเจ้าบันทึกของเธอนั้นบอกว่าเทดดี้เป็นเด็กที่แย่มากๆในชั้นเรียนเวลาเข้ามาในห้องเรียนเขาก็จะแต่งตัวมอมแมมไม่น่ารักผมไม่เคยหวี ตาเวลานั่งฟังครูก็จะเหมื่อรลอยเหมือนกับไม่สนใจเรียนไม่รู้เรื่องทำงานเวลาทำการบ้านทำงานส่งก็จะได้รับการกระบาดเกือบทุกข้อสิ่งที่หนึ่งคือว่าเท็ดดี้ดูเหมือนว่ามีแววที่จะเรียนได้มีทัศนคติที่ดือขึ้นแต่ที่บ้านยากจน ขั้นที่สองเทดดี้ทำงานดีขึ้นเมื่อได้รับคำแนะนำแต่ว่าแม่ของเขาป่วยหนักมีคนช่วยเขาที่บ้านงานบ้านของเขาน้อยมากสาเทดดี้เป็นเด็กดีแต่เครียดมากไปหน่อยและแม่ของเขาเสียชีวิตในปีนี้ขั้นตอนที่สี่เทดดี้เรียนช้ามากแต่มีความประพฤติดี ดูเหมือนว่ามีมีพัฒนาเกินขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับแต่พ่อเขาไม่ได้สนใจดูแลลูกๆมีในวันคริสต์มาสของปีนั้นนะครับเด็กๆก็จะเอาของขวัญมาแลกเปลี่ยนกันและกันแล้วก็มีของให้ครูเท็ดดี้ไม่มีของที่จะแปกเปลี่ยนกับคนอื่นเทดดี้มีของขวัญมาให้คุณครูชิ้นหนึ่งที่ห่อด้วยกระดาษธรรมดา พันด้วยสก๊อตเทปซึ่งของคนอื่นนั้นห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญและมีโบผูกเมื่อครูแกะของเพื่อนแกะของขวัญของเท็ดดี้เพื่อนเพื่อนก็หัวเราะเพราะว่าของขวัญของเท็ดดี้ที่เอามาให้ครูนั้นก็คือสร้อยหินเต็มสีต่างๆแต่ว่าหินนั้นหายไปเกือบครึ่งสร้อยแล้วก็มีน้ำหอม ราคาถูกๆขวดหนึ่งด้วยความเป็นครูก็ไม่อยากให้เทดดี้ซึ่งเป็นนักเรียนนั้นเสียใจนะครับครูก็เอาสร้อยของเทดดี้มาสวมที่คอแล้วก็เอาน้ําหอมของเทดดี้มาทาที่มือและดมแล้วคุณครูก็ให้เด็กทุกคนมาดมที่มือที่น้ําหอมนั้นทุกคนบอกว่าหอมเทดดี้รู้สึก สบายใจขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วเย็นวันนั้นหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านเสร็จแล้วเท็ดดี้รอพบคุณครูแล้วก็บอกคุณครูว่าคุณครูครับจ ม, มูกคุณครูเหมือนจ ม, มูกของแม่ผมมากครับหน้าตาของคุณครูก็คงจะคล้ายๆกับแม่ของเทดดี้นะครับทาให้เขาคิดถึงคุณแม่คุณครูก็รู้ที่ คุณครูก็บอกกับเทดดี้ว่าครูก็ดีใจครูก็ชอบของขวัญที่เธอให้นะน่ารักดีนะครับเทดดี้กลับบ้านแล้วคุณครูก็นั่งอธิษฐานด้วยความเสียใจนะครับขอพระเจ้ายกโทษที่ไม่ได้รักเทดดี้ซึ่งเป็นนัเกเรียนดีเพียงพอเท่ากับเด็กคนอื่นๆที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วคุณครูก็บอกว่า เราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมถ้าไม่ได้อยู่เพื่อช่วยให้ความยากลำบากของคนอื่นๆลดน้อยลงแล้วคุณครูก็เปลี่ยนทัศนย น, นะครับเขาเป็นคนที่หวานความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาบอกว่าคนที่หวานความเมตตากรุณาย่อมเก็บเกี่ยวผลคือความชื่นชมยินดีตลอดไปหลังจากนั้นไม่นา น, นครับ มีจดหมายถึงคุณครูบอกว่ามิสทอมสันที่รักผมอยากให้คุณครูรู้เป็นคนแรกว่าผมสอบได้ที่สองของชั้นรักเท d ดดี้สตอร์าอีก4ต่อมาอีกปีต่อมาครับมีจดหมายมาอีกสั้นๆนะครับมิสทอมสันที่รักมีคนบอกผมว่าผมจะได้ที่1เมื่อผมจบ S HIGH s c h o ู l หรือว่าจบมัธยมปลายผมอยากให้คุณครูรู้เป็นคนแรกว่าในการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผมจะเรียนนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่ผมชอบที่จะเรียนผมรักมันรักเทดดี้สตอลัอีกเจ็ดปีต่อมาครับมีจดหมายมาถึงคุณครูทอมสันอีกว่ามิสทอมสันที่รักถึงวันนี้ ผมคือนายแพทย์ที่อเดอร์สเตอร์ลาดเทไหมครับใช้ได้ไหมครับชื่อนี้ผมอยากให้คุณครูรู้ว่าเป็นคนแรกว่าผมกำลังจะแต่งงานเดือนหน้าแน่นอนครับผมอยากให้คุณครูมานั่งณที่ที่คุณแม่ผมจะต้องนั่งถ้าแม่ผมยังมีชีวิตอยู่คุณครูเป็นคนเดียวที่ เป็นตัวแทนครอบครัวของผมพ่อผมเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วและคุณครูก็ได้ไปงานของเท็ดดี้ครับมิสทอมสันได้ให้โอกาสได้สำแดงความรักของพระเจ้าแม้ว่าครั้งแรกนั้นเธอไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่เธอทำไปนั้นได้ทำให้เท็ดดี้นั้นมีความหวังใจและสุดท้ายเขาก็มีชีวิตที่ สามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ได้แม้ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยแต่ในที่สุดเขาก็เป็นคนที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่ความรักของเราที่จะสัแรงให้กับคนรอบข้างแม้ว่าเราอาจจะพูดไม่เป็นพูดเรื่องพระเจ้ามากไม่ได้แต่ขอหนุนใจพี่น้องที่เราจะใช้ชีวิตแห่งความรักความอดทน การยิ้มการให้กำลังใจการให้ความหวังใจการให้โอกาสกับคนที่อยู่รอบข้างไปจนถึงคนที่เป็นศัตรูพระเยซูคริสต์เจ้าเองก็เป็นตัวอย่างให้กับเราคนเหล่านั้นที่เขากระทากับพระเยคริสต์เจ้าที่โหวตให้พระองค์ถูกตึงที่กางเขนแต่ณนะบนกางเขนนั้นพระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอพระองค์ขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับคนเหล่านั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเช่นเดียวกันครับสเตเฟนมัครยกคนแรกเจดคนแรกหนึ่งในเจ็ดคนแรกในพพะกัมภีกิจการเมื่อเขาถูกชาวยิวกระน่ำด้วยก้อนหินก่อนที่จะเสียชีวิตภายใตก้ก้อนหินเหล่านั้นสเตเฟนก็อธิษฐานขอพระเจ้า อภัยให้กับคนเหล่านั้นที่ทําให้ทํากับสเตเฟนเหมือนกับอย่างที่พระเยซูริจเจ้าได้อธิษฐานความรักของพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้หรือว่าวันไหนคนไหนจะกลับใจแต่สิ่งที่เขาได้เห็นจากชีวิตของเรานั่นแหละครับเป็นเชื้อแห่งพระกิตติคุณเชื้อแห่งชีวิตในพระเยซูกิจเจ้าจะนําให้คนเหล่านั้นที่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราทุกคนอเมน